อาณาสยามยุทธว่าด้วยกองทัพสยามกรุงเทพได้ยกผลนิกายไปกระทาการศึกสงครามกันจัดลาวภุงขาชาวเมืองเวยนจันเป็นต้นเหตุเดิมเริ่มแรกที่จะได้ก่อการศึกสงครามกันจัดขมิงนยวนต่อไปเป็นศึกใหญ่ได้กระทามหายุทธนาการในรัชการที่สาลกรุงเทพเมื่อจุลศักราชหนึ่ปีจออาก ดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามยุทธภาคที่หนึ่งตอนที่สิบยุทธการที่ทุ่งบกหวานฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดีได้ทราบความตามลาวชาวเมืองสุวรรณภูมิทั้งสามคน มาชี้แจงข่าวสึกดังนั้นแล้วก็มีความยินดีเป็นอันมากจึงได้พูดกับนายทัพนายกองว่าอันพระยาสงครามเวียงชัยอยู่ในค่ายเจ้าราชวงศ์นี้เหมือนหนีเสือมาปะจระเข้เปรียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนปลาขังอยู่ในคองนับวันแต่จะตายอันหนึ่งพระยาสงครามเวียงชัยผู้นี้ ก็เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ในเมียงเวียงจันไม่ใช่คนโง่เง่าดีร้ายคงจะหาโอกาสช่องหนี้รามาหาที่พึ่งให้ผลไยัยถ้าเราหาช่องบอกเข้าไปว่าจะรับธุระเลี้ยงให้คงตำแหน่งเดิมถ้าพระยาสงครามเวียงชายทราบประพฤติเหตุของเราว่าจะรับธุระอุปถัมภ์ดังนั้นแล้วคงจะหนีออกมาหาเราเป็นมั่นคง ถ้าเราได้ตัวพระยาสงครามเวียงชัยมาไว้ใน่ายเราแล้วการที่จะกระทำศึกสงครามกับชาวลราเมืองเวียงจันนั้นเปรียบเหมือนลูกไก่อยู่ในเงื้อมมือของเราเจ้าพระยาราชสุภวดีคิดดังนั้นแล้วจึงมีบัญชาสั่งนายทัพนายกองทั้งหลายให้ตระเตรียมช้างมา้าโยธาหารไว้ให้พร้อม รุ่งขึ้นจะยกกองทัพไปตั้งค่ายใหญ่ที่ทุ่งบกหวานจะได้ดูท่วงทีข่าศึกลาวจะหนักเบาประการใดครั้นวันเสาร์เดือนสิบขึ้นสองค่ำได้มหาพิชัยเลิกเจ้าพระยาราชาสุภาวดีกรีธาทัพขึ้นไปตั้งค่ายที่ตำบลทุ่งบกหวานห่างค่ายเจ้ารัชวงศ์ประมาณหกสิบเส้นเศษครั้นนั้นเจ้าพระยาราชาสุภาวดี มีบัญชาสั่งให้นายทัพนายกองตั้งค่ายใหญ่เป็นรูปกากลางปีดตามความคิดของเราชาวเมืองสุวรรณภูมิซึ่งจะได้เป็นนามค่ายอาริกันกับค่ายศัตรูแล้วขุดสนามเพราะปักขวากหนามตามตำราพิชัยสงครามและตั้งค่ายชักปีกาถึงกันทั้งเจ็ดค่ายเป็นค่ายมั่นคงแข็งแรงด้วยขันตั้งค่ายเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้รบกันขณะนั้น นานเมืองมาลาวพงดำต้องเกณฑ์เข้ากระบวนทับด้วยจึงกราบเรียนเจ้าพระยาราชสุภวดีขออาสาจับไปเจรจาแท้ลมพระยาสงครามเวียงชัยในค่ายข่าศึกมาให้จงได้จะขอไปพูดด้วยอุบายซึ่งได้เรียนไว้แล้วนั้นเจ้าพระยาราชสุภวดีจึงให้ประคําทองคําสายหนึ่งเป็นรางวันแล้วเขียนหนังสือประทับตราให้ฉบับหนึ่งใจความว่า แม่ทัพไทยได้ตั้งให้นานเมืองมาเป็นนายทัพนายกองปีกหนึ่งเพื่อจะได้นำหนังสือสำคัญนั้นไปสัมแดงให้เจ้าพระยาสงครามเวียงชัยเห็นแล้วจะได้ไว้วางใจว่านานเมืองมาเป็นนายทัพมียศบรรดาศักดิ์จริงฝ่ายนานเมืองมาแต่งตัวปลอมเป็นชาวป่าหากผักหักฟืนเดินหลงทางไปใกล้ไข้พระเจ้าระชงขณะนั้น กองกระเวณข้างเราวเวียงจันทร์เห็นดังนั้นก็จับหนานเมืองมาได้แล้วเลิกผ้าที่นุ่งออกดูก็รู้ว่าเป็นลาวพุงดำเพราะมีรอยสักหนามหมึกที่ท้องและขาเป็นสำคัญสังเกตได้กองประเวณด่านจับหนานเมืองมาส่งเจ้าราชวงศ์เจ้าราชวงศ์ซักถามหนานเมืองมาหนานเมืองมาให้การว่าเป็นชาวป่ามาหาผักขลักฟืนเดิมบิดาเป็นข้าสวยขึ้นแก่พระยาสงครามเวียงชัย บิดาตายเสียหลายปีแล้วฝ่ายเจ้ารัชวงศ์จึงมีกระทูสักถามว่าของทัพใหญ่ของเจ้านายยกมาตั้งอยู่ดังนี้ควรหรือเองเป็นแต่ชาวชนบทบ้านป่าบังอาจมาสอดแนมด้มมองกองทัพ ก, กูผู้เป็นเจ้านายโทษมึงถึงที่ตายเหมือนจะว่าอะไรให้ว่าไปฝ่ายนานเมืองมามิได้พรั่นพรึงกลัวเลยจึงตอบว่า ตัวข้าพเจ้าดีเป็นชาวป่าเปรียบเสมือนหญ้าแพรกซึ่งช้างสารจะชนกันนั้นหาใช่การงานของข้าพเจ้าไม่การของข้าพเจ้ามีแต่จะเกบผักหักฟืนไปเลี้ยงบุตรภรรยาเท่านั้นหยุดไม่ได้ต้องจำไปในระหว่างศึกสงครามตามเพศข้าพเจ้าซึ่งเป็นคนยากจนเข็นใจจะหยุดรอกองทัพท่านไปแล้วจึงจะมาหากินนั้นกลัวจะอดตายจึงได้กล้าหาญมาดังนี้ ฝ่ายเจ้าระชุงได้ฟังดังนั้นแล้วก็มีความสงสารจึงไม่ได้ฆ่าสั่งให้ส่งตัวอ้เหลาพุงดำไปให้พระยาสงครามเวียงชัยนายมันแต่ว่าอย่าปล่อยให้กลับออกไปจากค่ายจะเป็นกลอุบายอย่างใดก็ไม่แจ้งขันหนานเมืองมาได้พบกับพระยาสงครามเวียงชัยพระยาสงครามเวียงชัยไม่อาจที่จะกลั้นน้ำตาไว้ได้ ด้วยเป็นมิตรสหายที่รักร่วมใจกันมาช้านานแล้วฝ่ายนานเมืองมาจึงได้แจ้งความลับให้พระยาสงครามเวียงชัยได้ฟังว่าบัดนี้เราได้เป็นนายทัพนายกองของไทยเรามียศใหญ่ได้พระราชทานประคำทองสายหนึ่งและหนังสือคู่มือสำหรับตัวเราด้วยว่าเราเป็นนายทัพแล้วครั้นเราได้รู้ว่าสหายมาตกในค่ายเจ้าระชง เปรียบสเสมือนปลาอยู่ในข้องคงจะตายไม่ช้าก็เร็วเพราะฉะนั้นเราจึงอุตส่าห์แปลงกายปลอมเข้ามาในค่ายด้วยหวังใจมารักสหายไปให้ผลฆ่าศึกศัตรูดังนี้เราเข้ามาทั้งนี้เหมือนหนึ่งนำชีวิตมารวกับคมดาบอย่าช้าเลยจงรีบไปกับเราเถิดเราจะพาสหายไปถวายตัวกับแม่ทัพไทยท่านแม่ทัพไทยคงจะทุบเลี้ยงให้ท่านคงยศบรรดาศัก์และมีความสุขดุดดังเก่า ฝ่ายพระยาสงครามเวียงชัยครั้นได้ฟังคำสหายที่เชื่อถือกันมาแต่ก่อนมาชี้แจงให้ฟังดังนั้นแล้วก็มีความยินดีที่จะตามนานเมืองมาไปหาแม่ทัพไทยจะได้ผลพวกศัตรูที่ใกล้ถึงมาดแมนจะตายก็ยอมตายที่ไกลห่างจากชาติเดียวกันจึงจะไม่อัปยศแล้วพระยาสงครามเวียงชัยจึงประกาศแก่เทพยดาว่า ตัวเราหาความผิดบ่อไม่ได้เหตุใดเจ้าอนุยังได้อาฆ่าพยาบาทมุ่งหมายจะทำลายล้างชีวิตเราผู้ตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตสู้อุตสาหะรับอาสาทาการศึกสงครามโดยกัญญูหาผู้เสมอเราไม่ได้ตั้งแต่วันนี้สืบไปวันหน้าข้าพระเจ้ากับเจ้าอนุเป็นขาดข้าขาดเจ้าขาดเ่าขาดตระกูลกันแต่วันนี้เถิด ขันประกาศเทพยาอารักษ์ดังนั้นแล้วจึงว่าถ้าเราขืนอยู่ในค่ายเจ้ารัชวงศ์ดังนี้เห็นทีจะไม่พ้นอันตรายแก่ตัวเราจำเป็นจำจะต้องไปตามสหายถึงว่าจะตายก็จะสู้ตายด้วยดาบหน้าพระยาสงครามเวียงชัยพูดจาดังนั้นแล้วขันเวลาค่ำจึงผูกมาที่มีฝีเท้าอันรวดเร็วสองมา รันได้เวลาสามยามสงังกับคนพระยาสงครามเวียงชัยจึงขึ้นหมาดำถือดาบสองมือสายเปินกระบอกหนึ่งนานเมืองมาขึ้นหมาแดงถือดาบสองมือสไปเปิลกระบอกหนึ่งพร้อมกันทั้งสองคนจึงชักมมาเป็นสบัดย่างสะเทินทั้งสองมาตรงเข้าไปที่ประตูค่ายเจ้ารัชวงศ์ฝ่ายพระยาสงครามเวียงชัย ชักดาบฟันเหล่าที่รักษาประตูค่ายข้างสายตายพร้อมกันทีเดียวหกคนฝ่ายหนานเมืองมาชักดาบฟันทหารเหล่าที่รักษาประตูค่ายข้างขวาตายพร้อมกันทีเดียวหกคนเหมือนกันในค่ายเหล่าเอกราเหอื้ออึงเป็นกลาหนุนผู้คนก็แตกตื่กันเป็นอุลหมานฝ่ายพระยาสงครามเวียงชัยกับหนานเมืองมาทั้งสองคนนั้นชักม้าเป็นบาดย่องพยองใหญ่ควบไปหากองทัพไทยขณะควบม้าไปนั้น พบกองตระเวนลาวแปดคนนั่งเป็นกองอยู่ลาวเวียงจันทกองตะเวนทางเห็นดังนั้นลุกขึ้นสกัดหน้ามา้าพระยาสงครามเวียงชัยนานเมืองมานํำปืนยิงออกไปสองนัดถูกพวกลาวกองตระเวนตายบ้างเจ็บบ้างลําบากบ้างจึงได้ควบมา้าเลยไปถึงที่หน้าค่ายเจ้าพระยาราชาสุภาวดีฝ่ายหนานเมืองมาพาพระยาสงครามเวียงชัยเข้าไปหาท่านแม่ทัพใหญ่ในค่าย แล้วกลาาเปลี่ยนกิิการที่ได้ไปพูดจาแทะลมพระยาสงครามเวียงชัยได้มานั้นแต่ต้นจนปลายให้ทราบเสร็จสิ้นทุกประการฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดีจึงปราศัยกับพระยาสงครามเวียงชัยว่าท่านจงอุตสาหอาสาราชการจนเสร็จสึกแล้วเราจะกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ท่านมีความชอบถึงขนาด แล้วได้ไต่ถามการบ้านเมืองเวียงจันทร์และข่าวศึกหน้าค่ายเจ้ารัชวงศ์ต่อไปได้ข้อความสิ้นเสร็จแล้วจึงให้พระยาสงครามเวียงชัยถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาต่อหน้านายทัพนายกองเสร็จแล้วเจ้าพระยาราชสุภวดีจึงให้ตั้งหนานเมืองมาเป็นแสนเท้าโยนกราชให้มีเครื่องยศเกียรติมากเต้าน้าเงินประคกากะไหลทองสายหนึ่งสัปทนแดงคันหนึ่ง ตามที่พระราชทานขึ้นมาสำหรับเป็นเครื่องยศนายทัพนายกองที่มีความชอบต่อกิจการราชการทัพศึกให้แสนเท้าโยนกราชเป็นแม่กองคุมพลทหารลาวชาวเมืองสุวรรณภูมิพันคนให้หมอพลไพรกับน้อยป่านฟ้าทั้งสองนั้นเป็นปรลัดซ้ายขวาชื่อเท้าอินทร์หนึ่งเท้าพรมหนึ่งคุมทหารกองละห้าร้อยรวมเป็นสองพันคนยกไปตั้งค่ายอยู่หน้าค่ายพระยานครสวรรค์ แม่ทับหน้าทุ่งบกหวานขันวันศุกร์เดือนสิบเอ็ดขึ้นสิบค่ำเจ้าพระยาราชสุภาวดีสั่งพระยาสงครามเวียงชัยแต่งกายนุ่งผ้าเกี่ยวสอดสนับเพลาคาดจีระบาดสวมเสื้อสนอบอัตลตดดอกใหญ่พื้นชมพูพวกศีษะแพรสีทับทิมคลิกทองเป็นหูกระต่ายสพายดาบฝักแดงบ้้งทองมือถือทวนผู้จามรี ขึ้นขีม่ม้านำหน้าทหารมา้มาสามสิบม้าควบมา้าไปราล่ออยู่หน้าค่ายเจ้ารัชวงศ์ร้องเพลงเยาะเย้ยเป็นสามารถเพื่อจะเย้ายวนโทโซเจ้าราชวงศ์ให้ไล่ติดตามมาถึงกระทั่งหน้าค่ายกองทัพไทยเจ้าพระยารา ช, ชสุภวดรีส่งพระยาพิชัยรณลิตพระยาวิชิตนรงค์ให้คุมพลทหารกองละห้าร้อยยกไปซุ่มพลเรื่อยร้ายอยู่ตามชายป่าสองข้างทางสนามรบ สั่งให้เจ้าอ้อนเจ้าปานบุตรเจ้าศรีวอเมืองสุวรรณภูมิเป็นนายทัพม้าเร็วร้อยมาเป็นกองหนุนทัพซุ่มซ่อนสั่งให้พระมหาพิชัยสงครามกับพระพิชัยคุมไพร่พลทหารกองละสามร้อยเป็นปีกซ้ายปีกขวาของทัพหนุนสั่งให้หลวงวิสูตรโยธามาศหลวงราชโยธาเทพคุมพลทหารกองละสามร้อยเป็นทัพกระนาบ สั่งให้พระยารามคำแผงขุมพลทหาร500เป็นกองโจนก้าวสกัดตัดกำลังศึกแล้วแต่งกองซุ่มซ่อนเสือป่าแมวเสารไว้สัพตามตำราพิชัยสงครามเสร็จเผื่อเจ้ารวงจะเป็นบ้าสงครามยกกองทัพไล่ติดตามพระยาสงครามเวียงชัยมาในครั้งนี้ก็เห็นเป็นที่สมควรคิดเราแล้วถ้าไม่สมดังคิดไว้ก็จะได้รู้กำลังข่าศึก เจ้าพระยาราชสุภาวดีแม่ทัพหลวงมีบัญชาสั่งให้พระยาราชสงครามคุมทหารห้าร้อยยกไปตั้งซุ่มพลอยู่ในป่าละมะข้างตะวันออกถ้าเห็นม้าใช้ในกองทัพไทยไปบอกว่าเจ้ารัชวงศ์ไล่พระยสงครามเวียงชัยเข้ามาในภาธที่ล้อมปีกกาไทยแล้วเมื่อใดให้พระยาราชสงครามคุมพลฐานโหร้องสะลวงฟันยกเข้าตีไข่ และป้บบนไข่เจ้าราชวงศ์ข้างหลังอย่าให้ลราทันตั้งตัวได้จงเร่งตีให้แตกแต่ในเวลาเดียวให้จงได้แล้วให้นำไฟจุดคบเผาไข่เราเสียให้สิ้นลรวจะได้หย่อนกำลังลงถ้าพระยาราชสงครามม่ทำได้ดังนั้นก็อย่าให้พระยาราชสงครามกลับมาหาทัพหลวงเลยให้คิดพาตนรอดไปหาที่พึ่งให้ผลภัยเถิดฝ่ายพระยาราชสงคราม ยกพลทหารไปซุ่มซ่อนอยู่ห่างค่ายเจ้าราชวงศ์ประมาณหกสิบเส้นเจ้าพระยาราชสุภวีร์สั่งให้พระยาราชรองเมืองแม่ทัพหน้าให้อยู่รักษาค่ายหน้าให้มั่นคงให้พระยาวิเศษสงครามคุมพลทหารห้าร้อยเป็นทัพแสงตามชายป่าให้พระสินทกคุมพลทหารมากองนอกร้อยมาเป็นกองร้อยคอยเหตุสําหรับแจ้งข้อราชการศึกหนักเบาทุกทัพ ทุกกองสั่งให้เจ้าอุปราชเมืองสุวรรณภูมิกับพระเทพพักดีผู้ช่วยราชการเมืองนครราชสีมาเป็นบุตรเจ้าพระยานาครราชสีมาคุมทหารเหล่าเมืองสุวรรณภูมิห้าร้อยยกไปตั้งเป็นกองปีกาโอบข่าศึกจะมานั้นครั้งนั้นพอพระยานรงค์สงครามจางวางสวยทองกับพระยาประสิทธิ์ักษณ์จางวางกรมช้างกองนอ ก, นอกเมืองนครราชสีมา ยกพลท้างมา้ามาถึงจึงให้เข้าในกระบวนทัพใหญ่ยกไปตั้งรักษาทางฝั่งแม่น้าโขงด้านหน้าค่ายพระยาราชรองเมืองเพราะช้างม้ามากจะได้อาศัยน้ำท่าด้วยแต่ให้แบ่งทหารกองพระมหาไทยเมืองนครราชสีมากับทหารกองพระพลสงครามเมืองนครราชสีมาออกเป็นสองกองกองละสองรอคนให้ไปรักษาด่านทางข้างเขตแดนเขมรไว้ด้วย ขันจัดทัพพร้อมเสร็จแล้วพระยาสงครามเวียงชชยขึ้นมาพร้อมทหารม้าสามสิบมาไปรำทวนเยอะเยอออยู่หน้าค่ายเจ้ารัชวงศ์เพื่อจะล่อให้โกรธฝ่ายเจ้ารัชสุพวีสั่งเจ้าพนรรักงานให้ผูกม้าสีจันร์เป็นม้าสำคัญชื่อว่าเหลืองป่องที่กีบเท้าทั้งสี่มีสีเหมือนทองสูงสอกคืบสิบเอ็ดนิ้วกำลังกลางตัวม้านั้นสิบสี่กัม ม้าเหลืองป่องม้านี้มีฝีเท้าว่องไวทั้งย่างน้อยและย่างใหญ่ได้คล่องแคล่วและเคยศึกสงครามมามากไม่ย่อท้อต่อเสียงปืนเจ้าพนักงานผูกบอกเครื่องอ่านเครื่องมั่นพร้อมแล้วจูงมาเทียบเกยหน้าค่ายฝ่ายเจ้าพระยาราชาสุภาวดีแต่งกายพร้อมด้วยเครื่องสัพพวุธสับเสร็จจึงสวมเสื้อหมวกทรงประพาสคาดรัดประคตหนามขนุนสวมแหวนดับก้าแล้วขึ้นม้าเหลืองป่อง ดำเนินทัพออกจากค่ายครั้งนั้นประดุดดังจอมพยุหโยธาของบรมจักภั ร, ราชาธิราชเจ้าเมื่อเจ้าราชาสุภาวดีขี่ม้าถึงท้องสนามรบหน้าค่ายพระยาราชรองเมืองจึงตรวจพลทหารทุกทัพทุกกองเห็นพอจะกระทําการสงครามใหญ่ได้ฝ่ายเจ้าราชวงศ์อยู่ในค่ายใหญ่ได้เห็นพระยาสงครามเวียงใชยขี่ม้าล่ออยู่หน้าค่ายดังนั้นก็โกรธ จึงร้องไปด้วยสุรเสียงอันดังว่าไอ้พระยาสงครามเวียงชัยไอ้ทรยศต่อเจ้านายแล้วหนีไปหาไทยได้กลับมาพูดจาหยาบหยามเยาะเยอ้ะอยู่หน้าค่ายให้กูได้ความอัปยตอดสูแก่ไพ่พลถ้ากูจับมึงได้เมื่อใดกูจะแร่เนื้อจะเอาเกลือทาจะสับมิให้การกรืนแขนคอเลยเจ้ารัชวงศ์พูดดังนั้นแล้ว จึงจัดพลทหารเป็นหมวดเป็นกองเพื่อจะยกเป็นกระบวนทัพใหญ่ออกไปจับพระยาสงครามเวียงไชยให้ได้ในวันนี้ถ้าเป็นท่วงทีก็จะยกเลยลงไปตีไข่เจ้าพระยาราชสุภาวดีให้แตกเสียด้วยในคราวเดียวนี้ขันจัดกองทัพพร้อมแล้วจึงเจ้าราชวงศ์แต่งกายนุ่งผ้าแดงสวมเสื้อแพรสีแดงปักทองโภกศีรษะแพรสีแดงมีคุยขี่ม้าแดงเป็นสง่า ดำเนินทัพออกจากค่ายไล่พระยาสงครามเวียงชัยไปเป็นอนลามานไม่เป็นกระบวนศึกสงครามได้ครั้งนั้นผงธุลีเป็นละองฝุ่นตลบไปทั่วท้องทุ่งเป็นควันมัวมืดไปหมดฝ่ายพระยาสงครามเวียงชัยควบหมาวางใหญ่ล่อให้เจ้าราชวงศ์ไล่ติดตามไปโดยคำสั่งนายแม่ทัพไทยฝ่ายเจ้าราชวงศ์กับทหารสนิทที่ติดตามไปทันก็ไล่เลยหลงเข้าไปในปีกากองทัพไทย ซึ่งตัง้งตุ้มไว้ตามป่าหาเห็นไหมเพราะด้วยผงทุลีตลบกลุ่มไปทั้งป่าและท้องทุ่งฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดียืนม้าอยู่กลางทุ่งบกหวานได้เห็นเจ้าราชวงศ์ขี่ม้าไล่พระยาสงครามเวียงชัยเข้ามาในที่ล้อมปีกาไทยดังนั้นแล้วจึงสั่งทหารม้าใช้ให้ไปบอกนายทัพนายกองปีกาให้ตีโอบหลังล้อมพลลาวไว้อย่าให้ลาวฟันฝ่าปีกาออกไปได้ นายทัพนกองปีกาได้ทราบดังนั้นก็ทำตามคำสั่งของแม่ทัพทุกประการฉันลมสงบระองผงคลีสว่างแล้วลาวกับไทยได้เห็นกายกันถนัดชัดเจนเจ้ารัชวงศ์รู้ว่าไล่เลยเข้ามาในปีกาที่ล้อมเป็นการเสียท่วงทีจะถอยหนีก็ไม่ทันจำเป็นจำใจสู้รบด้วยจวนตัวจึงต้อนผลทหารเข้าแย่งยิงแทงฟันประจันบาลด้วยอาวุธสิ้นถึงตรุมบอล พลทหารไทยเาว่้ายด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่พลเหล่าอยู่ในที่ล้อมตายมากพลทหารไทยทุกทัพทุกกองก็หนุนเนื่องกันเข้ามาล้อมเหลา่าและต่อรบด้วยเหลา่าดุดดังคลื่นในมหาสมุทรขณะนั้นฝ่ายเจ้ารัชวงศ์อยู่ในที่ล้อมจึงหาช่องทางที่จะฝ่าฟันแวกกองทัพไทยออกไปฝ่ายเดียวจึงแลเห็นไปข้างประจิมทิศก็เห็นเจ้าพระยาราชสุภาวดีสวมมาลาขีมา้า ยืนอยู่ท่ามกลางพนทหารทั้งหลายเจ้ารัชวงศ์จึงเข้าใจว่าแม่ทัพใหญ่เข้าใกล้กันวันนี้คงจะได้กระทำยุทธหัต์กันเป็นมั่นคงเจ้ารัชวงจึงชักม้ารุเข้าไปที่หน้าม้าเจ้าพระยาราชสุภวดีเจ้าพระยาราชสุภวดีเห็นดังนั้นจึงกระทืบโกลนแผงข้างม้าม้าก็วิ่งโผลทยานเข้าไปใกล้เจ้ารัชวงศ์เจ้าพระยาราชสุภวดีจะชักม้าไวเท่าใดม้าก็ไม่หยุด จึงเสียท่วงทีแก่เจ้ารัชวงศ์เจ้ารัชวงศ์ชักม้าหยุดยืนตั้งกายเป็นหลักมั่นคงแล้วจึงถือหอกแทงถูกที่ข้างคอไหลขวาม้าเหลืองป่องม้าเหลืองป่องล้มทับขาซ้ายเจ้าราชสุภาวดีเจ้าราชสุภาวดีล้มนอนอยู่กับดินดิ้นไม่ไหวขณะนั้นเห็นเจ้ารัชวงศ์ถือหอกยกขึ้นจะแทงที่ท้องเจ้าพระยาราชสุภาวดีจึงกระเบงท้องให้พองออกรับหอกลา่า แต่ตาขม่นจับอยู่ที่ตรงมือเจ้าราชวงศ์ซึ่งกุ่มหอกเงื้ออยู่นั้นฝ่ายเจ้าราชวงศ์กุมด้ามหอกแทงลงไปที่ท้องเจ้าพระยาราชสภาุภวีเจ้าพระยาราชสภาุภวีถึงขมิท้องที่พองอยู่นั้นให้เหี่ยวแห้งเล็กลงไปในทันใดนั้นได้หอกก็ปักดินลงไปแต่เฉียดท้องท้องเจ้าพระยาราชสุภวดีหาทุลุไม่เสื้อขาดสองชั้น เหนือเป็นริ้วรอยแผลยาวแปดนิ้วลึกกึ่งกระเบียดโลหิตไหลซับขณะนั้นมือซ้ายเจ้าพระยาราชสุภวดีกุมด้ามหอกเจ้าราัชวงศ์กดลงกับดินไม่ให้ถอนขึ้นได้ฝ่ายเจ้าราัชวงศ์เห็นว่าแทงด้วยหอกก็หาถูกไม่จึงโดดลงจากหลังมามือซ้ายกุมด้ามหอกไว้มือขวาเอื้อมไปชักดาบสะพายแร่งข้างหลังออกมาเพื่อจะตัดศรีรษะเจ้าพระยาราชสุภวดี ขณะนั้นหลวงพิพิษม่วงน้องต่างมานดากับเจ้าพระยาราชสุภาวดีนั้นถือดาบสองมือวิ่งเข้าไปหมายจะช่วยแก้ไขพี่ชายพอเจ้ารัชวงศ์ชักดาบสะพายแล้งท่าหลังออกมาฟันถูกคอหลวงพิพิษขาดกระเด็นไปฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดีนึกขึ้นได้ว่ามีดหมอมีอยู่ในสนับเพลาเล่มหนึ่งพอจะสู้ตามบุญตามกรรมลองดูที แต่มือซ้ายกุมด้ามหอกราลากดไว้มือขวาชักมีดหมอออกจากสนับเหาแล้วก็เอื้อมแทงช่วยส่งขึ้นไปถูกโคนขาอ่อนเจ้ารัชวงศ์เจ้ารัชวงศ์จึงล้มลงดาบหลุดจากมือขณะนั้นนายเทิดกับนายทิมทนายสองคนพี่น้องถือปืนอยู่คนละกระบอกจึงจริงออกไปกับสนปืนถูกเจ้ารัชวงศ์ที่ริมกระดูกสันหลังแห่งหนึ่งถูกที่สะโพกแห่งหนึ่งหาเข้าทั้งสองแห่งหม่ เป็นแต่หนังเกรียมๆขณะนั้นทหารลาวที่ติดตามเจ้าระชวงศ์มานั้นมันสำคัญเข้าใจว่าเจ้าราชวงศ์นายมันตายมันจึงได้ช่วยกันยกหามนายมันขึ้นวางบนแค่แล้วหามพาหนีออกไปทางด้านพระรามพระพิเดศสงครามนายกองทั้งสองนี้มีความประมาทหาสู้ตั้งกองล้อมโดยแข็งแรงไม่เข้าใจเสียว่าเจ้ารัชวงศ์ตายแล้วที่ไหนจะหนีไปได้เพราะฉะนั้น จึงมีความเลือนเล่อไม่ล้อมเป็นวงพาดฝันลาวหามแพ่เจ้าระชวงศ์ไปสักครู่หนึ่งพอเจ้าระชวงศ์ได้สติจึงลุกขึ้นจากแฉ่มือจับดาบได้เล่มหนึ่งที่เบาถือนั้นโดดขึ้นหลังมาฝันฝ่ากองทัพไทยหนีแหกออกไปได้ทางด้านพระรามพิชัยและพระเขื่อนเพชรซึ่งเป็นกองล้อมวงสายนอกหาทันระวังรักษาด่านทางไม่ด้วยตกตะลึงไปขณะที่รบกัน คณะเจ้ารัชวงศ์ฟันฝ่าหนีออกไปนั้นเสียนายทัพนายกองและไพรพลไทยในที่รบคือหลวงจตุรงโยธีถูกห อ, อกทัพลาวตายในที่รบหนึ่งหลวงพินิษโยธาถูกปืนลาวตายในที่รบหนึ่งพระพมบุรีผู้รักษาเมืองพมบุรีถูกลูกปืนหลังม้าลาวยิงตายหนึ่งแต่เสียขุนหมื่นพันทนายไพรพลตายในที่รบยี่สิบเก้าคนที่เจ็บป่วยลําบากสามสิบสี่คน ให้เาลาวชาวเมืองสุวรรณภูมิถูกอาวุธลาลวเวียงจันท์ตาย68คนแต่ลาวเวียงจันท์ตายในที่รบเก็บศพได้นายมาผู้ดี8คนไพร่187คนไพร่พลเวียงจันท์ที่ตายตามทางประมาณ 300-400 คนครั้งนั้นพลทหารไทยมีความประมาทว่าหลอมเหาวไว้แล้วจึงพากันยืนดูเล่นเส้นดูตีกระวีกระบอง ไม่ใคร่ระวังรักษาหน้าที่ด้านทางโดยกวดขันเพราะสำคัญเข้าใจว่าลาวน้อยตัวแล้วทั้งอยู่ในที่ล้อมจะหนีไปข้างไหนให้ผลมือไทยได้ฝ่ายเจ้ารัชวงขึ้นม้าฝ่าฟันกองทัพไทยตีแหกเป็นช่องหนีออกจากที่ล้อมได้รงไปจะเข้า่ข่ใหญ่ของตนก็ไม่ได้ด้วยค่ายของตนเสียแก่พระยาราชสงครามนายทัพไทยนายทัพไทยได้รักษาไว้ดีทั้งสามไขแล้ว ผลทหารลาวในค่ายทั้งสามนั้นไทยฆ่าตายมากแล้วจับเป็นได้มากที่เหลือตายก็แตกระส่กระสายหนีเข้าป่าโดงไปได้บ้างน้อยบ้างครั้งนั้นพระยาราชสงครามมีชัยชนะได้ค่ายเจ้าราชวงศ์แล้วได้เครื่องศัตราวุธต่างๆและกระสุนดินดำตะเบียงอาหารบริบูรณ์ทุกสิ่งฝ่ายเจ้ารัชวงศ์เห็นค่ายของตนเสียแก่ไทยแล้ว ยังชักม้ากลับรัดเข้าป่าหนีรถไปกับทหารที่ร่วมใจสี่สิบคนหนีไปจนถึงริมฝั่งแม่น้ำโขงพอพบเรือพวกล่าวชาวบ้านป่าไปเที่ยวหาปลาเจ้ารัชวงศ์ทิ้งม้าเสียที่ฝั่งแม่น้ำโขงทหารร่วมใจลงเรือสามลำเรียบเร่งช่วยกันถอดพายขึ้นไปตามลําแม่น้ําโขงหมายจะไปถึงเมืองเวียงจันท์โดยเร็วเมื่อเจ้ารัชวงศ์ฟันฝ่ากองทัพไทยหนีไปแล้วนั้น ทหารไทยก็กรูกันเข้าไปยกหามม้าที่ตายทับขาเจ้าพระยาราชสุภาวดีเจ้าพระยาราชสุภาวดีลุกขึ้นได้แล้วยกมือแยงเข้าไปในแผลจึงรู้ว่าแผลตื้นหนังฉีกเป็นรอยยาวโอบท้องไม่ทะลุเข้าไปข้างในจึงเรียกน้ำมันว่านมาหยอดแผลแล้วแก้รัดประคตน้ำขนุนที่เอวออกมาพันแผลที่ท้องไว้ให้มั่นคงดีจึงเรียกเสื้อที่ทนายมาเปลี่ยนใหม่เสร็จแล้ว กระโดดขึ้นแค่เร่งคนหามแค่ไปติดตามเจ้ารัชวงศ์ในเวลาวันที่หนีไปนั้นพร้อมด้วยทหารนำตามสามร้อยเศษรีบเร่งเดินตามไปจนถึงฝั่งแม่น้ําโขงและเห็นเจ้ารัชวงศ์กับเป่าไพร่ลงเรือสามลำข้ามแม่น้ําโขงไปไกลลิบๆเกือบจะถึงฝั่งฝ้าข้างโน้นแล้วเจ้ารัชวงศ์กับเป่าไพร่ช่วยกันถอดพายเร่งรีบจะขึ้นไปถึงเมืองเวียงจันทร์แล้ว จึงแจ้งความตามที่ได้ยุทธหัดกับเจ้าราชสุภวดีแต่ต้นจนปลายให้เจ้าอนุบิดาฟังเสร็จสิ้นทุกประการแล้วจึงบอกว่าของทัพเจ้าพระยาราชสุภวดีมีฝีมือเข้มแข็งนักไม่ย่อท้อถอยแต่สักคนหนึ่งและไทยได้คนเมืองยะโสธรและสเสบียงอาหารกวาดต้อนไปเป็นกำลังมากแล้วไปตั้งค่ายใหญ่อยู่ที่เมืองสุวรรณภูมิก็ได้ผลเมืองสุวรรณภูมิ เป็นกำลังเพิ่มเติมขึ้นอีกมากแล้วก็ได้อ้ายพระยาเชียงสากับอ้ายพระยาสงครามเวียงไชยทั้งสองคนไปไว้เป็นไส้ศึกไทยไทยจึงได้รู้การซึ้นลึกหนาเบาของเราทั้งสิน้นข้าพระเจ้าก็ได้รบ ก, กับเจ้าพระยาราชชาติสุ f a ตัวต่อตัวจนถึงตะลุมบอลและถูกแทงถูกปืนสองนัดแต่หาเข้าไม่เป็นแต่เจ็บช้า เห็นเหลือกำลังจัดตั้งต่อสู้ไม่ได้ต้องล่าหนีมาอีกประการหนึ่งผลฐานในกองทัพเราก็ล้มตายลงมากบ้างก็หนีเข้าป่าโดงไปมากเพราะฉะนั้นจึงเสียค่ายทั้งสามที่ตำบลทุ่งบกหวานแก่ไทยไายได้คนลาวจับเป็นได้มากครั้งนี้เราเหมือนนกปิกหัถึงมากว่าเราจะเกณฑ์ผู้คนไปรบอีกเล่าเห็นจะไม่มีใครเต็มใจไปสู้รบ เพราะว่าไพรพลขยาดฝีมือไทยมาหลายครั้งไลาหนแล้วและอำนาจเราน้อยถอยลงมากด้วยทั้งสเสบียงอาหารตามหัวเมืองรายทางแม่น้ำโขงนังขัดสนมันเข้าตาจนไปทุกอย่างเห็นได้อย่างหนึ่งแต่จะอพยพหนีไปพึ่งยวนอย่างเดียวจึงจะผลจากความตายไทยไม่ทำอันตรายแก่เราได้เจ้าอนุเจ้ารัชงเจ้าสุธิสารเจ้าบุตรหลานปรึกษาเห็นพร้อกัน แต่ทางที่จะหนีไปพึ่งยวนฝ่ายเดียวดังนั้นแล้วเจ้าอนุสั่งเท้าโศให้จัด ก, การบ้านเมืองที่จะล่าหนีไปนั้นให้เป็นแม่ทัพกองใหญ่ครันวันอาทิตย์เดือนสิบเอ็ดขึ้นสิบเอ็ดค่ำเวลาตี11สิบเอ็ดทุ่มเศษเจ้าอนุพาครอบครัวอพยพบีหนีออกจากเมืองเวียงจันทร์ขึ้นช้างพร้อมทั้งราชบุตรราชธิดาวงสานวงและสนมกำนันชาวแม่พรรักงาน ทั้งราชเทวีพาหนีขึ้นไปด้วยแต่สิ่งของเงินทองเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งสเสบียงอาหารนั้นบรรทุกโคต่างและช้างบ้างเดินครัวไปทางข้างทิศตะวันออกตรงไปเมืองพวนซึ่งเป็นหัวเมืองลาวขึ้นแกยวนอ่านามสยามยุทธภาคที่หนึ่งตอนที่สิบยุทธการที่ทุ่งบกหวานกำลังเข้มข้น โปรดติดตามตอนต่อไป